เราพัฒนาดำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันาถาสศรัทธา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 ประกาศนะครับนะมีการประกาศแต่งตั้งสวสอ ร, อร250คนนะครับซึ่งก็เป็น อ, อดีตเครือข่ายของแม่น้ำห้าสายนะทั้งมีทั้งอดีตรัฐมนตรีอดีตสอนอช อ, อดีตสปอชอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตสปอทอนะครับเพราะฉะนั้นดิก็เป็นเป็น หลายคนก็รับรู้กันไปแล้วมีการประกาศนะครับประกาศแล้วซึ่งในจำนวนสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยก็จะเป็นสวที่เลือกกันเองในกลุ่มวิชาชีพห้าสิบคนนะครับแล้วก็เป็นสวในสัสดส่วนของคสชสองรอยคนนะครับซึ่งก็มีการมีมีสวโดวยตำแหน่งหกคนนะครับมีผู้บัญชาการทหาร บกประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับนะพลเอกแล้วก็มีพอบอทอบอพอบอสอสอนะครับมีพอบอทหารเรือนะบพอบอทหารอากาศนะครับแล้วก็พอบอตารวจนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของอการการที่ได้มาซึ่งตาแหน่งสวบอนะครับส่วนในในส่วนของสมาชิก สภา น, ต น, น, น, น, นิติบัญญัติแห่งชาติที่มาเป็น ส, สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับมีจำนวน83ท่านนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสอนชอนะครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนายพีรศักดิ์พอจิตซึ่งเป็นรองประธานนะครับแล้วก็มีนายก้านลงจันทรทริกนะครับ แล้วก็มีนางการจรัสลีวิโลต์นะครับนะมะีหลายคนนะครับนะที่เป็นอดีตสอนชอนะแล้วก็กลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาเป็นในส่วนของสมาชิกสอว อ, อีกอี ก, อ, กอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ก็หลากหลายเหมือนกันและนอกจากนี้นี่นะครับก็จะเป็นอสอเนชที่ เป็นกลุ่มควรของกลุ่ม40สวก็มาเป็นมาแปลมาเป็นสอว อ, อยู่หลายคนอย่างเช่นนายสมชยัยแสวงการนายตวงอันทชัยผลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับนายวันลบตังคานรักษนะครับแล้วก็มีมีบุคคลที่เป็นเป็นเพื่อนรุม่มรุ่นเป็นอะไรต่างๆนะฮะของในส่วนของ พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทยนะครับก็หลากหลายแล้วครับนะพอเข้ามาเป็นในส่วนของส so วแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีมีอยู่15ท่านนะครับไปไปไปเป็นส so วนะครับรัฐมนตรี ท, ที่ที่ร่วมรัฐบาลชุดนี้ลาออกจากรัฐมนตรีนะครับมาเป็นส so วอยู่อยู่สิบสท่านนะครับอย่างเช่นลอากาศเอกประจินจันตรองนะครับพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะซึ่งเป็น อดีตรองนายงตรีนะเขาก็มาเป็นสอบอนะครับในในายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับพลเอกสุรศักดิ์การชนะรัฐนะครับอดีตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะพลเอกอนันตพรการชนะรัฐอดีตรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พนะลตบุตรเอกอดุลแสงสิงแก้ว อดีตดั้นตรีแรงงานนะครับแล้วก็มีนายเบราศักดิ์โคสุรัตอดีรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์อดีตรัฐมนตรีศึกษาธีการนิกรลาออกมามาเป็นสวแล้วนะครับ <S <s แล้วก็มีพลเอกสุรเชษชัยวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนาะยอุดมคชินทร์อดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ นะครับพวกนี้ก็มาเป็นมาเป็นสว น, นะ น, นะ น, นะครับนะมีลำตีสิบห้าท่านนะสิบห้าท่านเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี oa, <ção> ้ก็มีมีมีมีมีมีกันหลากหลายนะครับมีกันหลากหลายที่ที่ท <m akes han> <tr ude> ี่เข <m akes han> ้ามานะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับว่าว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะมาทําหน้าที่ในการออกกฎหมายในการบริหารประเทศนะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็มีกัน หลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพระราชกิตสดีกานะครับนะในการเรียกประชุมรัฐสภานะครับนะก็มีพระราชกิตสดีกามาประชุมรัฐสภานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหารามาทิเบตศรีสินธรมหาวชิราลงกร์นะครับในหลวงนะครับมีพระพบรมราชองค์การโปรดเกล้า ให้มีการประกาศให้มีเปิดประชุมรัะสภาในวันที่ยี่บสองพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราก็ <ๆ S 1> จะเห็นนะครับทั้งในส่วนของสอวอ ส, อสอนะครับจะเปลี่ยนการมีการประชุมกันนะครับนะมีการประชุมนะโดยที่มีการนัดหมายบอกว่าจะมีการประชุมกันในวันที่ยี่สิบสี่นะฮะในวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมนะซึ่ง หลังจากที่มีพระราชกิจสดีารเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่22พฤษภาเนี่ยนะครับทางสภาจะจัดพิธีสเสด็จพระราช ด, ดำเนินทรงเปิดสภาในวันที่24พฤษภาคมนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามรองนายกวิษณุว่าจะมีการเลือกประธานสภาหรือประธานวุฒธธิสภาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดในายวิษณุ ก, ก็ตอบว่าก็แล้วแต่ทางสภาจะเป็นผู้กำหนด นะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับเพราะว่าตำแหน่งประธานสภานะครับน่ะประธานประธานวุฒิสภานี่ก็มีความสําคัญนะเพรานะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นคนคุเมเกมเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการของของของสภาแหะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็คงจะต้องดูนะครับนะว่าบทบาทของ ทั้งสอสอทั้งหัวบูดทสมาชิกนะครับนะที่มีบทบาทในสภาเนี่จะจะมีการเสนอกฎหมายมีการจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างไรก็เป็นที่จับตามองเป็นที่สนใจของของที่น้องนะประชาชนที่ติดตามข่าวแหละครับมารับฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันก็รับฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะครับนะในส่วนนี้มาคุยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนีก่อนที่จะ พูดจะคุยกันมาฟังเพลงสักเพลงก่อนครับ ครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในช่วงนี้เนี่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของส ง, สงครามการค้าของของจีนกับของสารัฐนะครับซึ่งก็มีการตอบโต้กันขึ้นกำแพงตั้งกำแพงภาษีกันส่งผลกระทบกับไทยเราเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไทยเรานี่ต้องต้องพึ่งพาการส่งออกทั้งจากของจีนของของสหรัฐนะครับซึ่ง ตรงนี้จากการเปิดเผยของคุณนัทพรจารุศรีพิทักษ์โคศกประจำรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคณะที่ประชุมคณะรัตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเพราะว่าขึ้นภาษีตอบโต้กันกันไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้จะกระทบกับไทยนะครับเพราะว่า ข้อเสียนะครับที่จะกระทบกับไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการส่งออกนะครับนะเมื่อจีนส่งออกไปสหรัฐลดรงก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนนะก็จะทําให้คนที่จะเป็นคู่ค้ากับจีนกระทบไปด้วยเพราะไทยเรานี้ก็จะส่งสินค้าบางส่วนไปที่จีนนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับการท่องเที่ยวนะครับนะถ้าจีนกระทบเศรษฐกิจกระทบ คนจีนก็จะมาเที่ยวเมืองไทยเราลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นี่ส่งผลกระทบเหมือนกันเราจะจะแก้กันกันอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้ น, นีนตรงนี้นี่จ้ากระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะซึ่งเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกนะครับนะสูงถึงเจ็สเซการท่องเที่ยวก็ยี่สิเปอร์เซนตะครับเพราะฉะนั้นีนตรงนี้นี่กระทบมากนะก็คงจะต้องเตรียมตัวตั้งรับแหละครับในส่วนของไทยเรานะครับว่าจะทําอย่างไรส่วน คุณพิมพชนกนะครับวอนขอพอรผู้ในการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะทำให้มูลค่าการส่งออกของสินค้าไทยไปต่างประเทศลดลงประมาณห้าพันหร้อยถึงห7พันเจ็ดร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่ง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.2 เซของมูลค่าการส่งออกรวมซึ่งจะทำให้การส่งออกของไทยเราลดต่ำกว่าเป้าที่วางไว8้8ซและยิ่งถ้าสหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และสินชิ้นส่วนจากทั่วโลกตามมาตรการเซฟการ์ดที่จะประกาศขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้ก็จะทำให้มูลค่า การส่งออกของไทยเราเนี่ยลดลงไปอีกนะซึ่งตรงนี้ในทางกระทรวงพนะาณิชย์เนี่ยได้เตรียมแนวทางรับมือไปแล้วโดยนะคุณชุติมาบุญญาประพัดรัฐมนะตรีช่วยพาณิชย์ก็สั่งการให้มีการทำแผนลุกตลาดในในสินค้าศักยภาพนะครับมีการเร่งพัฒนาการส่งออกนะผ่านออนไลน์นะครับแล้วมีการเจรจา ลดอุปสรรคการค้ากับประเทศต่างๆรวมทั้งเตรียมมาตรการลุกทังด้านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่าการค้าชายแดนของเรานี่ก็มีมูลค่าสูงเป็นแสนล้านนะครับในขณะทีน่นายสมคิดจารุศรีพิทักษ์รองน้ำจีก็จะมีการเชิญผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และก็ชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมาหาเรือเพราะว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับนะ ก็จะมีการประชุมทูตพาณิชย์นะเพื่อที่จะมีมาตรการรับมือดังกล่าวนะครับแตนะ่ส่วนกรณีที่สหรัฐเพ่งเล็งว่าไทยเราเข้าขายเป็นประเทศที่แทรกแซงค่าเงินนะฮะจากข้อมูลการส่งออกไปไปสหรัฐก็พบว่ายังไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่างๆนะนะเราเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เขาจะแซงชั่นแต่ประการใดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของ ผลกระทบจากสงครามการค้าจีนสหรัฐนะครับส่วนนาง จ, นจันทวันสุจริกุลผู้ช่วยว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็เป็นผลเสียมากต่อผลดีนะครับเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกปั่นป่วนนะครับแล้วก็ต้องต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ ม, มีการ ตั้งกำแพงนะตอบโต้กันไปเตือนมานก็ส่งผลเสียมากนะครับทางอา จ, จารย์อัดพิสารวณิ์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหลาลัยหอการค้าไทยก็บอกว่าทั่วโลกกังวล น, นะครับว่าจีนอาจใช้นโยบายค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงประมาณ 20-25% เเพื่อชดเชยส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าหากเป็นจริงก็จะทาให้สินค้าจีนราคาถูกลง 20-25% นะซึ่งในอนาคตก็จะมีสินค้าจีนนะเข้าไปตีตลาดในประเทศต่างๆทั่วโลกนะโดยเฉพาะอาเซียนรวมทั้งไทยเรานะครับจะมีสินค้าจีนราคาถูกเข้ามาซึ่งนะต้องให้ภาครัฐในมีมาตรการที่จะเข้มงวดนะมีการตรวจสอบนะโดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะครับพวกอาหารนะครับของเล่น หรือว่าเครื่องจั ก, กรกลการเกษตรพวกนี้จะราคาต่ำลงจริงๆก็คื อ, อเราก็จะไปสู้จีนไม่ได้ล้วครับเราสินค้าเรานีค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นคงนี้คงจะต้องดูนะครับนะ ว, ว่าจะจะอย่างไรนะครับแล้วก็การส่งออกของไทยเราปีนี้ขยายตัวได้เพียงร้อยละ0ูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเปเท่านั้นไม่เกินนั้นนะครับและถ้าหากสารัฐขึ้นภาษีจีนเพิ่มอีกประมาณ 3 0 0แสนล้านเหรียญ น, นะจีนลดค่าเงินหยวนลงอาจจะทำให้ไทยเรานี่ขยายตัวติดลบอาจจะเป็นศูนย์หรือติดลบนะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจอาจจะต่มกว่า 3% เเนตะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องจะต้องดูนะครับเพราะว่าสงครามทางการค้า ท, ที่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานี่ไม่ไม่เป็นผลดีนะต่อตลาดการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะไทยเรานี่เป็น เป็นประเทศที่ส่งส่งออกนะสินค้านะไปยังจีนไปยังสารัฐไปยังนะสหภาพยุโรปนะซึ่งจะทำให้เราได้ดรับผลกระทบมากโดยเฉพาะนะสินค้าจากจากชุมชนล่ะครับนะจากชุมชนนะซึ่งเรากำลังที่จะสนับสนุนนะฮะให้ให้ชุมชนเนี่ยทำการผลิตนะสินค้าโอท็อปนะหรือพวกพืชผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยจะส่งไป ขายอ ย, าอย่างจีนอย่างสารัต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบก็ได้นะครับนะการท่องเที่ยวก็จะชะลอตัวเพราะว่าอย่างที่บอกนะท่องเที่ยวที่มาไทยเรานี่อันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นจีนนะถ้าเศรษฐกิจเขาตกต่ําเขาก็ไม่มาเที่ยวนะครับก็จะทําให้เม็ดเงินตรงนี้หายไปนะครับนะเพราะตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะจะพันผวนเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของอสงครามการค้านะระหว่างระหว่างมหาอำนาจ นะซึ่งก็ยังตึงเครียดกันอยู่ขึ้นเรื่อยๆละครับหนะรือกรณีเกี่ยวกับเรื่องของที่สหรัฐส่งกองเรือเข้าไปยังอ่าวเบอร์เซียนะครับซึ่งทําให้สถานการณ์ตรงนั้นตึงเครียดละครับเพื่อที่จะกดดันอิรักนะอิรานนะครับนะกดดันอิรานนะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการสกัดไม่ให้อิรานทำอาวุธนิเคีย ก, ก็เป็นสิ่งที่กระทบต่อเรื่องของการค้าการขายนะครับเราก็คงจะต้องดูรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาก็คงจะต้อง